พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ินทบาตะเปลวิสุดที่สุดทำบินทบาทให้บริสุทธิ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชครึกครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากพระสมมาบัติเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมาก จึงมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพันธุ์บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้กราบทูลตอบว่าอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วสาวรีบุตรได้ยินว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญาตา มหาบุรุษในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระตถาคตและพระมหาสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากภิกษุนั้นพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบินทบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบินทบาตในประเทศใดและเรากลับจากบินทบาตจากบ้านโดยทางใด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 หรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอยู่ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อลักบาปอากุศลละธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าเราไม่มีฉันทักไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาภิกษุนั้น พึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละและโดยในยะเดียวกันเมื่อไปบิณฑบาต ท, ที่ใดกลับทางใดพิจารณาเห็นว่าเรามีราคะาโทสะโมหะปฏิฆะในสิ่งเหล่านี้บ้างไหมคือในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก ในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในโพธพะกการถูกต้องสัมผัสที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมอารมณ์อารมณ์ที่ใจรู้สิ่งที่ใจคิดใจนึกที่พึงรู้แจ้งทางใจหากมีราคะโทสะโมหะปฏิฆะก็ให้ละสิ่งเหล่านั้นซะหากไม่มีก็ให้ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีเตะและปราโมทนั้นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละกรรมคุณห้าได้แล้วหรือยังถ้าพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังละกรรมคุณห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละกรรมคุณห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราละกามคุณห้าได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมชนั้นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วหรือยังถ้ายังละนิวรณ์ห้าไม่ได้พึงพยายามเพื่อละนิวรณ์ห้านั้น แต่ถ้าละนิวรห้าได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากาหนดรู้อุปาทานขันห้าได้แล้วหรือยังถ้ายัางกาหนดรู้อปปาทานขันห้าไม่ได้พึงพยายามเพื่อกาหนดอรูุปาทานขันห้า แต่ถ้ารู้ว่าเรากําหนดรู้อุปาทานขันห้าได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสติปัฐานสี่ได้แล้วหรือยังถ้ายังก็พึงพยายามเพื่อเจริญสติปัฐานสี แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสติประฐานสีได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละอีกประการหนึ่งพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสัมมารประธานสีได้แล้วหรืออย่างถ้าอย่างเจริญสัมมารประธานสีไม่ได้ก็พึงพยายามเพื่อเจริญสัมมารประธานสี แต่ถ้าเจริญสัมมารประธานสีได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและราโมทนั้นแหละอีกประการหนึ่งพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอิทธิบาทสีได้แล้วหรือยังถ้ายัางเจริญอิทธิบาทสีไม่ได้พึงพยายามเพื่อเจริญอิทธิบาทสีแต่ถ้าเจริญอิทธิบาทสีได้แล้ว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 พึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติลาปราโมชนั่นแหละอีกประการหนึ่งพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญพละห้าได้หรือยังถ้ายัางเจริญพละห้าไม่ได้พึงพยายามเพื่อเจริญพละห้าแต่ถ้าเจริญพละห้าได้แล้วพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโม้นนั้นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญโพชงเจ7ได้แล้วหรือยังถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญโพชงเจตไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญโพชงเจตแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญโพชงเจตได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมชนั่นแหลอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอริยามรรคมีองแปดได้แล้วหรือยังถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายัางเจริญอริยามรรคมีองแปดไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอริยามรรคมีองแปด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 เรายัางเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละสารีบุตร อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราทำวิชาละวิมุตตให้แจ้งได้แล้วหรือยังถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังทำวิชาละวิมุตตให้แจ้งไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อทำวิชาและวิมุตตให้แจ้งแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราทำวิชาและวิมุตต์ให้แจ้งได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติละปราโมทนั้นแลสาวรีบุตรก็ในอดีตสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งได้ทําบินธบาตให้บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทําบินธบาตให้บริสุทธิ์ในอนาคต สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักทาบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จักพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทําบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในบัดนี้สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งทําบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดยอมพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทําบิณฑบาตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสําเนียกอย่างนี้ว่า เราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจับทำบินทบาทให้บริสุทธิ์สาวรีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบบินธะบาทตบปาริสุทธิ์ที่สตร